ค่ะต้องบอกว่าอะไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะหัวข้อที่ อ, อคุณเอกนะคะคุยอย่างหลวงพ่อนะคะที่บอกว่าจริงๆว่าชีวิตที่เราทุกคนกําลังใช้อยู่เนี่ยก็เป็นชีวิตของธรรมชาติที่ไม่มีอะไรที่เป็นของเรามาตั้งแต่เดิมแม้แต่เราก็ไม่ใช่ความเป็นของเราอ่ะทั้งหมดของเราก็เป็นของธรรมชาติเนี่ยทอเราพูดอย่างนี้ยค่ะบางคนอาจจะแบบพอฟังแล้วเอ๊ะเราไม่เข้าใจเลยว่าไม่ใช่เราอย่างไรแล้วเราอยู่กับธรรมชาติ หรือว่ายังไงพอเราพูดว่าในทั้งหมดของเราเป็นธรรมชาติในเมื่อไม่เคยมีเราจริงๆเราก็เลยจึงอิสระต่อความเป็นเราอิสระจากฟากอัตตาตัวจริงของเราเนี่ยนะเป็นสิ่งที่การปรุงแต่งเนี่ยไม่อาจจะเกาะติดได้นะก็ยังเป็นความบริสุทธิ์แท้จริงอยงนั้นเสมออยู่แล้วแล้วก็เราแท้จริงก็ไม่เคยเป็นเราจริงๆ <laughs> เพราะฉะนั้นในความ ความที่มันเป็นอยู่งั้นอยู่แล้วแบบมันก็เป็นบริสุทธิ์อย่างนั้นเช่นการดุจเดียวกันนั้นให้เห็นการดำรงอยู่ของธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความบริสุทธิ์แบบนั้นนะคะแล้วก็มองทุกคนให้เหมือนตัวเองเขาก็คือเรารักสุขเดือดทุ่มเหมือนกันอยู่อิ่มเหมือนกันน ะ, ะแต่ว่าเราจะเห็นเอ่อให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน เราก็จะทําให้เราอยู่บนโลกเนี้ยลดปัญหาได้เยอะส่วนใหญ่ปัญหาทางจิตใจของโลกเราก็จะมีแบ่งแยกว่านู่นนี่นั่นแล้วทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งความอะไรมากมายเกี่ยวเรื่องอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความเห็นความคิดในการปรุงแต่งโอ้นานาเลยก็เลยกลายเป็นว่า มันไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วมันก็มีการปรุงอะไรไปแต่พอเราเนี่ยมาศึกษาเราเข้าใจตรงจุดเนี้ยเราจะอ๋อเป็นแบบนี้ชีวิตมันก็ดําเนินแบบนี้อันแท้จริงมันเป็นแบบไหนอะไรเออถ้ามีผู้สงสัยนะว่าเออที่บอกว่าตัวเราไม่มีเนี่ยหรือว่าไม่มีตัวเราเนี่ยที่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีอยู่มีอยู่นะเออบางทีโอเคหลวงพ่อเข้าใจได้เพราะว่า ก็เคยผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วเมื่อก่อนก็ใครพูดให้ตายก็เข้าใจไม่ได้เนาะยังไงก็ยันหัวจนฝ่าเลยก็นี่ไงตัวเรานี่ตัวเราเนาะอืแต่การที่จะให้เห็นถูกต้องแลกถอนความเห็นผิดเนี่ยต้องต้องไปสังเกตเรื่องสภาวธรรมก็คือเห็นว่ามันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นนะให้โยมลองสังเกตเลยว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับให้โยมจับสักสักอย่างหนึ่งแล้วลองสังเกตดูว่ามันเกิดมาแล้วแล้วเป็นไงมันตั้งอยู่ไหม หรือมันดับไปจริงทีนี้เมื่อเราพบว่าถ้ามันเกิดแล้วดับเนี่ยตรงเนี้เราก็จะมองออกเลยว่าไอสิ่งที่เกิดเนี้ยแต่เดิมมันไม่มีใช่ไหมพอมีแล้วมันหมดตรงเนี้ถ้ามันมีแล้วหมดเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวเราได้ยังไงเพราะว่ามันมันหมดไปแล้วแล้วมันก็เกิดใหม่อ่าพอเกิดใหม่มันมีแล้วก็มันหมดอีกเหมือนกันอ่าพอหมดแล้วจะบอกว่ามันเป็นตัวเราได้ยังไงเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งหมดแต่เป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันหมดด้วยไง พอหมดด้วยปั๊บมันจะเข้าใจหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องการพูดก็ได้เมื่อกี้ได้พูดถึงเนาะการมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวกับการพูดยมลองสังเกตเวลาพูดเนี่ยมันมีถ้าสมมติว่าเรามองเป็นภาพรวมก็ได้ว่าการพูดแต่ละครั้งเนี่ยอวัยวะส่วนไหนบ้างที่มันทำงานอย่างน้อยก็เห็นเห็นกายก็คือเห็นปากปากตัวเองเนี่ยขยับ แต่ถ้าเพียงขยับอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นการพูดเพราะฉะนั้นการพูดคือมันต้องมีเสียงเออเห็นไหมพอเข้าใจได้การพูดแต่ละคํามันจะต้องมีเสียงแต่มันก็มีตัวอื่นที่เป็นเหตุปัใจจัยให้มีเสียงด้วยเช่นปากขยับหรือว่า อ, อ, อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีมากมายแต่หลวงพ่อให้สังเกตสักสองอย่างพอก็คือเวลาพูดมีเสียงดังนี่นะมันจะมีเสียงใช่ไหมเสียงก็ทุกคนรู้จักแล้วลองสังเกตเสียงนะอ่าอันเนี้ย เพื่อให้เข้าใจความหมดไปความมีแล้วหมดก็หมายความว่าพอเสียงดังแล้วก็มันก็มีเสียงดับเสียงดังแล้วก็เสียงดับมันจะสลับแบบนี้ยิ่งพูดเร็วๆเท่าไหร่มันก็ยังเห็นความเกิดดับของเสียงได้เนาะแต่ว่าถ้าถ้ามองไม่ทันมันก็จะเห็นว่าเวลาหยุดพูดนั่นแหละเสียงดับแล้วเนี่ยฟังเสียงหลวงพ่อก็ได้เนี่ยพอหลวงพ่อพูดทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงพอหลวงพ่อหยุด เสียงก็ไม่มีพอหลวงพ่อพูดก็ได้ยินเสียงก็จะเห็นความดับของเสียงได้แต่ความดับของเสียงเนี่ยไอ้ น, นี้เป็นแค่ชี้เพื่อให้ให้เห็นความความมีแล้วหมดแต่เสียงเนี่ยอย่างไงมันก็ไม่เป็นเราอยู่แล้วง่ายมากแต่ปากสิสังเกตดูปากปากมันขยับอ่ะแสดงว่ามันเป็นยังไงสมมติพออาปากใช่ไหมแล้วก็ต่อมันก็มาหูปากแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็อาปากแล้วก็หูปากปากเนี่ยขยับเขาเรียกว่าขยับขยับขยับ ไอการขยับแบบนี้เขาเรียกว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความไม่คงที่เพราะว่าถ้ามันเที่ยงนะอ้าปากมันก็อ้าปากค้างไว้อย่างนั้นแหละไม่หูปากเลยแต่ความจริงเดี๋ยวปากมันก็หยับเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวปิดตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าปากก็คือกายเนาะมันก็ในส่วนที่เป็นขยับเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีการเกิดดับพอเห็นการเกิดดับปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่า อ๋อไอสิ่งที่มันมีที่มันอ้าแล้วมันหมดมันจะเรียกว่าไอนี้ให้มองเฉพาะจุดนี้ก่อนนะว่าไอส่วนเนี้ยมันจะเป็นเราได้หรือไม่ถ้าถ้าเป็นเรามันจะต้องอ้าตลอดแต่นี่มันมันปิดเลยมันขยับมันก็เป็นเราไม่ได้แต่ตรงนี้มองเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจทีนี้เอาตรงไหนอีกอ่ะที่มันเกิดดาบอ่ะเอาเป็นว่าในส่วนของร่างกายเอาความเจ็บความปวดความเมื่อยก็ได้เอา โยมหยิกเอามือเนี่ยหยิกแขนให้มันเจ็บก่อนเออหยิกให้มันเกิดความรู้สึกว่าเจ็บหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าก่อนหยิกเนี่ยความเจ็บยังไม่เกิดเลยยังไม่มีแล้วพอหยิกอ่าเขาเรียกว่าความเจ็บเกิดพอความเจ็บเกิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หยิกแล้วนี่ก็จะสังเหตสังเกตเห็นความจางคลายของความเจ็บจนกระทั่งบรรลุภาวะปกติคือความเจ็บหายไปหมดเลยตรงนี้มองออกเลยอย่างว่าความเจ็บมันเป็นเราไหม ถ้าความเจ็บเป็นเราความเจ็บเนี้จะต้องไม่ดับความเจ็บเนี้จะต้องค้างอยู่อย่างนั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังมีความเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่ความเป็นจริงมันก็เจ็บแค่ชั่วคราวขณะที่หยิกพอไม่หยิกความเจ็บก็จะอ่างคลายดับไปจนความเจ็บไม่มีความเจ็บไม่มีไงมันไม่มีไงตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วจะบอกว่าความเจ็บเป็นเร า, เราได้อย่างไรใช่ไหม เออทีนี้ถ้าเราสังเกตตรงนี้เหตุผลเริ่มฟังขึ้นหน่อยหนึ่งว่าเออน้อถ้าความเจ็บเป็นเรามันจะต้องเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละกี่เดือนกี่ปีก็เจ็บเจ็บเจ็บโอ้แต่ข้อเท็จจริงมันเจ็บแป๊บเดียวและมันก็หายไปของมันเห็นไหมมันหายเองแล้วน่ะตรงเนี้ก็จะเห็นว่าความเจ็บไม่มียมสังเกตตรงที่ความเจ็บไม่มีเมื่อความเจ็บไม่มีจะแปลว่าเป็นเราได้ยังไงเมื่อมันไม่มีแล้วไงมันไม่มีแล้วจะบอกว่าเป็นเราไม่ได้ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องความเจ็บได้ว่าความเจ็บไม่ใช่เราเห็นไหมทีนี้พอเข้าใจเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแล้วต่อไปก็ไปสังเกตอื่นๆอีกที่มันมีอยู่กําลังมีอยู่แล้วก็สังเกตก็จะเห็นว่ามันก็หมดไปอีกตรงเนี้ตรงนี้ที่ก็บอกว่าฝึกสติเนาะให้รู้ตัวให้รู้ตัวก็คือรู้กายรู้รู้รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอะไรเงี้ยต่างๆก็จะเห็นการเกิดขึ้นบ้างการเสื่อมไปบ้าง ก็จะเกิดปัญญาแล้วใจมันจะยอมรับเองว่าโอ้ทุกอย่างเนาะที่เกิดในเนื้อในหนังมันก็เกิดดับหมดที่เกิดในจิตในใจเนาะความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภมันมีแล้วก็หมดไปเอา้าตกลงในตัวเรามีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับมีแล้วหมดไปไอ้พวกนั้นเป็นส่วนย่อยๆนะที่มันอยู่ในตัวแต่ถ้ามองภาพกว้างมองทั้งตัวเลยคราเนี้โยอมองทั้งตัวเลยว่าตัวเราแต่เดิมมีไหมอ่ะไม่มี ตอนแรกตอนที่พ่อแม่ยังไม่แต่งงานกันเนี่ยยังไม่มีตัวเลยแต่งงานกันก็ยังไม่มีตัวเพิ่งมามีเอาตอนหลังแล้วก็จากตัวเล็กก็เป็นตัวใหญ่ตัวโตเนาะจนกระทั่งเป็นตัวปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมโยมเห็นอะไรยังว่ามันเปลี่ยนตัวมาเรื่อยๆจากไม่มีเป็นมีพอมีแล้วมันก็ไม่เที่ยงเนาะก็เปลี่ยนจากเล็กเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอ้วนเป็นผอมเป็นยาวเป็นสั้นก็แล้วแต่อ่าเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่หยุดแค่นี้มันจะต้องเปลี่ยนต่อไปอีกสุดท้ายสุดท้ายก็คือตัวเนี้ย เรียกที่ภาษาสมมติเขาเรียกว่าตายนะตายก็คือหยุดหายใจพอหยุดหายใจเสร็จแล้วถ้าไม่เผานะโยมตัวเนี้ยมันก็จะเน่าพองมีน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลห้าวันเจ็ดวันมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยสุดท้ายน้ําเลือดเนื้อก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดเหลือแต่กระดูกอ้าวพอนานกว่านั้นอีกกระดูกก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดหายหมดเห็นไหมความเป็นตัวตนความเป็นตัวเราก็ไม่มีตรงเนี้ก็จะทําให้เข้าใจได้ว่าจริงๆรอะ่ะ เราจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีแค่การเกิดขึ้นและก็หมดไปการเกิดขึ้นแล้วหมดไปพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสามารถเข้าใจในภาพรวมได้เลยว่าทั้งหมดทั้งตัวทั้งสิ้นเลยนะไม่ใช่เราทีนี้ที่เราเรียนธรรมะกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละก็คือให้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้แหละว่าเออทุกอย่างไม่เที่ยงเนาะเป็นเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเห็นถูกต้องเมื่อไหร่ว่าไม่มีตัวตนมีแต่สังขารเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมีแต่สังขารกาลังพูดกำลังคุยกำลังรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เห็นถูกต้องว่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเห็นถูกต้องแบบนี้ยมันก็ไม่มีผู้ทุกขแล้วมันไม่มีผู้เกิดคือหมายความว่าไม่มีเราเป็นผู้ผู้ทุกขเพราะเราไม่มีมีแต่สภาพทุกขคือสังขารมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองนะแค่นี้ก็จะเป็นการพ้นทุกข์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราทั้งหมดก็คือว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็าคือสอนเรื่องทุกขกับความพ้นทุกข เออทีนี้ถ้าเข้าใจว่าตัวเราไม่มีนั่นน่ะคือพ้นทุกข์แล้วเมื่อพ้นทุกข์แล้วมันก็จบหลักสูตรในเรื่องของทุกข์กับความไม่ทุกข์เพราะฉนั้นเนี่ยที่คุยกันทุกวันนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งในทุกข์แจ้งว่านี่ก็นี่คือทุกข์นี่คือทุกข์นี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเรามีความเพียรแล้วมีสติมีปัญญาเห็นอยู่เป็นประจำอย่าละเลยต่อสิ่งนี้ยิ่งเห็นตัวเรายิ่งรู้ตัวเรามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแจมแจ้งในทุกข์ นะยิ่งเจ็มแจ้งมันก็ยิ่งยิ่งพลทุกข์แต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่เมื่อเพลิเพินสนุกสนานเฮ้อโอโหเพลิเพลินอย่างเงี้ยมันไม่เห็นทุกข์นะเมื่อไม่เห็นทุกข์มันก็ยึดเดี๋ยวยึดเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเพราะฉะนั้นแหะจงมีความเพียรนะมีสติรู้ตัวอยู่เป็นประจําดื่มทําพูดคิดให้รู้สึกตัวว่าดื่มก็ไม่ใช่เราทําก็ไม่ใช่เราพูดก็ไม่ใช่เราคิดก็ไม่ใช่เราด้วยเหตุผลที่ว่ามันแค่เกิดดับเกิดดับเกิดดับ หลวงพ่อกำลังจะพูดถึงการรู้ตัวนะปัจจุบันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเกิดดับของทุกสิ่งนะคะเป็นโลกอาจจะพูดถึงเรื่องออความปรากฏก็ได้นะคะหรือว่าความไม่ปรากฏก็ได้นะคะต้องบอกว่าจริงๆสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะเป็นอันเดียวกันก็่นคือเมื่อสติต่อเนื่องกันนะคะมันก็จะแปลไปทำหน้าที่ของสมาธิตอนที่มันแปลไปเป็นสตินั้นคือมันทาลายความไม่รู้สึกตัว พอรู้สึกตัวเนี่ยความไม่รู้ก็จะหายไปอันนั้นคือกิจของสติทีนี้เมื่อความรู้สึกตัวสดๆนี่ต่อเนื่องกันเข้าเหมือนสายน้ำํำนะคะมันหยดที่ละหยดๆยยดดมันก็จะเป็นพลังน้ําขึ้นมามีกําลังสติต่อเนื่องเข้ามันก็จะแปลสภาพเป็นสมาธิเมื่อมันได้ชื่อว่าเป็นสมาธิมันก็ทําหน้าที่ตัดความฟุ้งซ่านทางจิตไปกระแสนเนี่ยไหลในจิตก็จะถูกตัดออกจิตก็เริ่ม แน่วแน่ในตัวมันเองสืบเนื่องมาจากสตินั่นเองนะคะก็เหมือนกับเม็ดทรายเม็ดหนึ่งรวมเข้ากันนะก็กลายเป็นแผ่นดินขึ้นมาเมื่อสติต่อเนื่องกันเข้าก็เป็นสมาธิเหมือนก็จะทํากิจของสมาธิที่เกิดโดยโดยที่โดยไม่มีสติอันอันตรายคนที่เป็นบ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปทําสมาธิก่อนสตินะคะเหมือนเด็กคลอดก่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แต่ถ้าคนมีสติเนี่ยจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ มื่มีส ต, ติต่อเนื่องกันขึ้นเนี่ยสมาธิจะเกิดมันจะรู้ตัวชัดเจนเพราะฉะนั้นพอมีอารมณ์เข้ามากระทบมันเนี่ยมันจะแปลไปสู่ปัญญาเลยคือมันจะเข้าใจขบวนของชีวิตนะคะขบวนการกระทบแล้วก็ขบวนการสืบต่อผลของการกระทบเช่นเมื่อการกระทบจะส่งผลเป็นกิเลตยังไงก็จะรู้จะเห็นแต่ถ้าเกิดคนนั่งค่ะนั่งสมาธิอย่างเดียวหลับตาเิียมันจะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นนอกจากความสงบเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันเนียค่ะ เอออย่างเช่นไปทําความรู้สึกตัวโดยใช้การงานก็ได้นะคะซึ่งเราต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วเช่นเดินไปห้องนี้หรือกําลังล้างจานหยิบปากกามาเขีย น, นะคะถูกรับรู้ได้โดยตรงในสันักษณะที่เป็นสดๆอย่างนี้ค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ยพลังของสติจะเกาะตัวขึ้นประมวลกันขึ้นแล้วก็แปลไปเป็นพลังของสมาธิก็เนี่ยค่ะก็จะช่วยเราให้เราเใช้ชีิตประจําวันอย่างเนี้ค่ะ โดยที่เอารู้สึกตัว ส, สดๆแบบนี้ยไปเรื่อยๆอืมไม่น่ายากเนาะอืมน้อยก็เนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทำก็ปรากฏเฉพาะหน้าอยู่แล้วอะไรปรากฏน่ะก็ถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยตัวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วก็พอเห็นตัวเราอยู่ก็จะเห็นว่าในตัวเรามันก็คือมันขยับเนาะร่างกายมันขยับมันเคลื่อนไหวมันจะหายใจมันจะท้องพองยุบมันจะยุกยิกยุกยิกจะขยับขยับตอนเนี้ยทำปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบัน สิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยเห็นอยู่แล้วก็เห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็บางทีก็เห็นความคิดมันอาจจะสงสัยคิดยึกในใจคิดแบบอะไรเงี้ยอ่าก็เห็นความคิดนะที่มันมันเหมือนกับว่ามันขยับอะเนาะเออมันขยับความคิดขยับหรือว่าอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในจิตในใจในปัจจุบันเนี้ยก็เห็นอยู่รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏกําลังปรากฏแล้วก็หมดไปกําลังปรากฏแล้วหมดไป พิณาต่อเนื่องให้นานๆๆๆๆแล้วมันก็จะเกิดเป็นกําลังสมาธิเหมือนที่โยมหนุยพูดมาเนี่ยเป็นกําลังสมาธิเนาะสมาธิตั้งมั่นยิ่งตั้งมั่นเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งเห็นการเคลื่อนไหวของกายยิ่งเห็นความเคลื่อนไหวของจิตยิ่งเห็นยิ่งเห็นพอยิ่งเห็นมันก็ยิ่งแจ้งพอยิ่งแจ้งมันก็ยิ่งเห็นความเกิดดับของมันนะอันเนี้ยพอเห็นความเกิดดับแล้วก็มีปัญญาเข้าใจถูกว่า ทุกการเคลื่อนไหวนะทุกความรู้สึกมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกจริงๆนี่คือปัญญาปัญญาก็คือทำซ้าทำแบบนี้ทำซ้าทำแล้วทำอีกไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่ทุกอิริยาบถก็ให้เห็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้สติสมาธิปัญญามันจะหนีไปไหนได้ใช่มมันก็เป็นทำให้แบบยิ่งมีกาลังมากขึ้นยิ่งมีกาลังมากขึ้นายิ่งสติมากขึ้นสมาธิก็มากขึ้น สมาธิมากแล้วปัญญาก็ยิ่งแจ่มแจ้งแจมแจ้งสุดท้ายแจ่มแจ้งเหลือว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏแล้วหมดไปนะแล้วก็ตัวตนของเราไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นแล้วก็จะพบว่าสุดท้ายก็จะพบว่าสังขารเหล่าเนี้ยมันปรากฏอยู่ในความว่างปรากฏบนความไม่มีความไม่มีอันนั้นแหละมันก็เรียกว่าเป็นความที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วรู้จักถึงความมีกับความไม่มี แล้วความไม่มีตรงนั้นแหละมันจะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าเป็นความที่พ้นจากทุกข์ส่วนความมีมันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับเป็นปกติธรรมชาติไม่มีเป็นความไม่มีทุกข์แต่ของสองสิ่งนี้มันอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกันประเภทหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นปรุงแต่งประเภทหนึ่งเรียกว่าไม่ปรุงแต่งนะแต่ทีนี้ในความไม่ปรุงแต่งนี่มันมีความรู้ไงมีความรู้แจ้ง รู้แจ้งอะไรก็รู้แจ้งต่อสิ่งเกิดดับในความไม่มีอ่ารู้แจ้งรู้แจ้งนะรู้แจ้งรู้จริงด้วยแล้วก็จนกระทั่งว่าความรู้แจ้งนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าดุจดังแสงสว่างที่ทำให้แบบไม่มีอะไรที่ปิดบังมันได้ก็เลยรู้แจ้งแบบแจ้งแจ้งจนกระทั่งไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเพราะมันเห็นแจ้งไปหมดแล้วไงเห็นแจ้งเนี่ยเนาะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นถ้าหลวงพ่อจะพูดก็เดี๋ยวถ้าหลวงพ่อจะ ทวนลำดับให้พอเข้าใจอีกนิดนึงเนา ะ, อะตอนแรกเราพูดถึงธรรมชาติที่ที่ปรากฏเนาะคือธรรมชาติใดปรากฏธรรมชาตินั้นต้องดับแล้วก็หมดไปหน่ที่รองรับนะรองรับสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ดับไปนี่แหละอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏซึ่งไม่มีขอบเขตว่ากว้างยาวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ปรากฏอะไรพอไม่ปรากฏอะไรนั่นหมายความว่ามันไม่ไม่เป็นอะไร แต่มันมีความรู้อย่างเดียวคือมันมีความรู้รู้ว่าสิ่งปรากฏทั้งหลายเนี่ยปรากฏในความไม่ปรากฏเออแล้วก็รู้แจ้งไงไอ้ความไม่ปรากฏเนี่ยมันมีแต่ความรู้แจ้งก็เลยเห็นแจ้งทั้งสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้แจ้งว่าไอ้ตัวมันเนี่ยที่มีความรู้มันก็ไม่ปรากฏอะไรตรงเนี้แล้วมันก็จะชัดเจนในเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ชัดเจนยังไงชัดเจนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นเลยเรียกว่าทุกข์แต่สิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับมันก็เรียกว่าเป็นความ เป็นอมตะธรรมคือเป็นความพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดถาวรมันก็มีแค่นี้เองเพราะงั้นเรียนธรรมะเนี่ยโยมคือไม่ต้องไปหาอะไรหรอกแค่รู้ตัวเองว่าในตัวเองมันมีแค่สิ่งเกิดดับเกิดดับแต่ในตัวเองมันก็มีสิ่งไม่เกิดไม่ดับและมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งหมดเลยแค่นี้แหละแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับและมีความรู้แจ้งนะสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าใจ อ่านะหลวงพ่อสมมติชื่อกระดาเขาเรียกว่าใจเพราะฉะนั้นน่ยใจที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจยังเป็นความว่างเสียเองคือใจเนี่ยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะได้แต่รู้แจ้งต่อทุกสรรพสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพบใจก็คือเขาเรียกว่าพบที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละใจอยู่ที่ไหนใจไม่ปรากฏแต่ได้แต่รู้<ข>อธิบายยาก<อ>มากตรงนี้เร่วา <laughs> จริงๆถ้า ไม่มีธรรมชาติที่เป็นตัวของของมันเองได้เลยนะคะมันก็คงมีแต่ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นในความเป็นจริงแห่งความว่างเปล่าถ้ายังหลงไปในความเป็นอวิชชาตันหาอุปทานหนึ่งนะะี้ค่ะอายตนะทั้งหกแล้วขันทั้งห้าเนี่ยก็จะย่อมสร้างความทุกข์แล้วก็การเกิดการตายได้ทุกเมื่อเมื่อได้มีธรรมชาติแห่งการระลึกรู้ได้อยู่เนี่ยอายตนะทั้งหกแล้วขันทั้งห้าก็เป็นแค่เหตุปัจจัยที่ได้อาศัยเพื่อ ความเป็นเสมอภาคในธรรมชาติที่คงอยู่อย่างนั้นนั้นผู้ที่ไปพบมัคเนี่ยเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องก็จะย่อมรู้ว่าธรรมชาติแห่งจิตของตอนนั้นก็คือมัคเมื่อพบกับจิตชนิดเนี้ยโดยเนื้อท้ารจริงเขาก็จะไม่พบอะไรเลยความเป็นจริงนั้นแต่เขาได้เดินทางไปบนหนทางแห่งความไม่มีอะไรในมัคก็จะกลับพบความเป็นจริงในทุกย่างก้าวที่ก้าวไปถ้ายังคิดว่ามัคนั้นเกิดจากการใช้จิตค้นหา ก, ก็ยังผิดอยู่ ก็ยังถือว่าดำเนินไปทางที่ผิดอยู่เพราะว่ามาร์กนั้นนะ่ะเป็นการทําความเข้าใจในความเป็นจีที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาร์กเนี่ยมันไม่ใช่การค้นหาแล้วต้องใช้อะไรไปค้นหาจึงจะหลงทางไปแต่ว่าความเป็นธรรมชาติแห่งแห่งความเป็นพุทธอะอย่างนั้นนะคะก็ยังคงอยู่เมื่อมีธรรมชาติแห่งการ ร, ารู้ได้เนี่ยถึงความที่เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นความหลงก็จะหายไป ความเป็นมักที่แท้จริงก็จะปรากฏอยู่ต่อนหน้าเราเลยนะคะต่อให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะค้นหามักจนแบบลมหายใจไม่มีร่างกายแตกดับไปแต่ว่าเมื่อหยุดการดิ้นรนค้นหาในมายาแห่งมักเน่ยมักนั้นจะกลับมาเป็นมักตามความเป็นจริงของมันดังนั้นลองปลดเรื่องความคิด ทุกความคิดนะคะอันเกี่ยวกับความเป็นมรรคความเป็นธรรมพวกนี้ออกไปแล้วหันน้ำมาเผชิญกับความจรงิงตามที่มันเป็นอยู่ธรรมชาตินี่ค่ะมันก็จ ะ, จะจะเป็นสัจจะซื่อตรงของมันอยู่อย่างนั้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปไขว่คว้าอะไรมากมายยิ่งเราอย่างเช่นตอนนี้นะค่ะเราแค่เข้ามานั่งในใ น, Club House นะคลับเฮาส์นค่ะเพราะว่าเรายังต้อง ใช้สมองนะคะเหมือนตอนนี้เราฟังเชื่อไหมคะอย่างฟังหนูหนุ่ยพูดเนี่ยต้องคิดตามหนูหน้วยละเป็นกระบวนการเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเนี้เราถ้ามีเวลาว่างเราก็ใช้การที่เราจับฟังเนี่ยค่ะรับฟังขึ้นมาแล้วลองปุ๊บหยุดต่อหน้าแล้วก็ไม่ได้มีอไอตรงนั้นล้วค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้แบบพยายามบางคนพยายามไปหยุดมันด้วยนะคะหยุดความคิดอ้อหยุดอยู่กับความว่างแล้วก็รู้ด้วยนะว่าเราอยู่ว่าง อันนี้ค่ะก็ยังยังมีอยู่แต่ว่าในความที่มันเป็นความไม่ปรากฏเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ตลอดทะลุหมดทุกอย่างไม่สามารถที่จะบัญเขาเรียกบัญญัติชื่อมันได้ด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยแต่ว่าเราบอกเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันไม่มีมันมีค่ะมันมีทุกคน เพียแต่ว่าเนี่ยองหลวงพ่อจะชี้เนี่ยแต่บางคนอาจจะบางทีเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ใช้ภาษากันไปนะคะเพราะว่าเพื่อให้สื่อกันให้ถึงความหมายบางทีหนูอาจจะพูดแบบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจหลวงพ่ออาจจะพูดแบบหนึ่งนะคะ เ <c oughs> มื่อกี้ได้ฟังคุณหนุย่ยหนุ่แล้วก็หลวงพ่อคือแับฟังแล้วแล้วดีเข้าใจมากคือจะคือจะบอกด้วยด้วยความสัตย์จริงจากใจเลยนะคะว่าตอนเที่ยได้สนทนากับท่านหลวงพ่อออสใหม่ๆตอนแรกๆเลยเนะี่ย บอกเลยว่าตอนนั้นงงงงแล้วก็เป็นคนแบบงงสงสัยแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆก็มันก็ยังความงงเนี่ยมันก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างอ่ะนะคะ oh. แต่ทุกวันคือวันเนี้ยโมเมนต์เนี้ยวันเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยค่ะที่ที่ตอนที่นั่งฟังแบบฟังแล้วก็คือบอกเลยว่าเข้าใจแล้วที่ที่หลวงพ่อท่านพูดบ่อยครั้งในที่บอกว่า นิพพานได้ตลอดเวลาคือหมายก็ว่าในชาตินี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือมันเข้าใจแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเวลาหลวงพ่อถามอะอธิบายไม่เป็นพูดไม่ถูกค่ะแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยบอกเลยว่ามันเกินร้อยเอร์เซ็นแล้วแล้วก็แล้วก็คือเหมือนแบบมันมันรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งนะคะที่ที่ได้ฟังหลวงพ่ออธิบายอะ่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็น้อมนํามาคิดแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติตามะคะแล้วก็รู้สึกว่า จริงด้วยที่หลวงพ่อพูดว่านิพพานได้ตลอดทุกทุกขณะทุกเวลาอะไรเงี้ยก็วันนี้เข้าใจมากๆเลยค่ะต้องกาบของพระคุณหลวงพ่อแล้วก็คุณหน่ย่ยนุยด้วยค่ะสำหรับโยมคนอื่นเนาะบางทีอาจจะกลัวว่าพอพูดไปแล้วกลัวว่าจะพูดไม่ถูกกลัวว่าจะไม่ตรงไปตามที่หลวงพ่อสอนอะไรก็แล้วแต่ขอให้โยมพูดตามที่ที่โยมพูดอะ่ะออกพูดออกมาจากใจเลยเนาะ เพราะในในตรงที่พูดตรงนั้นแหละมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าตัวยังมองไม่เห็นแล้วก็หลวงพ่อก็จะจะต่อจะต่อยอดหรือว่าจะบอกจุดตรงนั้นให้เห็นทีนี้ถ้าหลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยนะผู้ถามเห็นตามปั๊บเนี่ยมันจะคลิกเลยมันจะแบบเข้าใจแบบถึงใจกันเลยเนะาะเพราะงั้นก็<ช>นะเวลาถามนะอย่าอย่าเกรงกลัวนะให้พูดตามภาษาของเราแหละเพราะว่าเราก็ต้องพูดภาษาของตัวเองแต่หลวงพ่อจะจะชี้บางอย่างเหมือนกับที่ของโยมโยมเอ็กใช่ไหมบอกว่าเราไม่ทุกข์แล้วเห็นไหม ก็พูดตามภาษาของโยมไหมแต่นี้หลวงพ่อเขาจะบอกว่าอ๋อไอ้ที่ไม่ทุกข์อะโอเคมันถูกแต่ว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ไม่ทุกข์อยู่เพราะว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนบอกว่าจริงๆอะมันมีแต่สภาพทุกข์นะที่เกิดที่ปรากฏแต่ความเป็นตัวเราไม่มีดังนั้นตอนที่เราบอกว่าเราไม่ทุกข์แล้วนี่แสดงว่าไอ้คือมันมันไปหลงความไม่ทุกข์มาเป็นของเราเสีย <c oughs> ไปหลงความไม่ทุกข์เนี่ยความไม่ทุกข์มันมีอยู่ไง แต่ด้วยความหลงก็คือไปยึดถือความไม่ทุกขมาเป็นของเราเลยบอกว่าเราไม่ทุกแล้วพอหลวงพ่อชี้บอกปั๊บ๋อมันยังมีตัวเราอยู่ทีนี้แต่ความไม่ทุกมันมีก็ถูกแล้วแต่ยังมีตัวเราอยู่นี่นี่ตรงนี้แสดงว่าเข้าใจผิดถ้าจะให้เข้าใจถูกทํำยังไงเข้าใจถูกก็คือว่าก็มีแต่ความไม่ทุกเนะี่ยแต่อย่าเอาตัวเราไปรองรับว่าเราไม่ทุกแค่เนี้ยความเป็นตัวเราก็จะหายวับไปแล้วเห็นไหมมันก็นิพพานในปัจจุบันได้ ทำไมนิพานปัจจุบันได้เพราะไม่ยึดมัน่นไม่อุปาทานในขันไม่อุปาทานต่อสิ่งใดนะการไม่อุปาทานนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ไม่อุปาทานก็คือไม่มีตัวเราเป็นผู้อุปาทานลองอีกอันนึงสมมติว่าพบนิพานแล้วเนี่ยลองเอาตัวเราไปยึดนิพานดูดิไม่มีทางจะเป็นนิพานได้เพราะนิพานเป็นของกลางไม่มีใครไปยึดถือนิพานได้นิพานก็มีอยู่อย่างนิพาน แต่อย่าหลงเราอย่าหลงไปว่าเราถึงนิพพานเราได้นิพพานอย่างเนี้ไม่ถึงเพราะว่ามีตัวเราเป็นผู้ไปยึดนิพพานเอาไว้เ อ, อเพราะฉะนั้นให้มันมีแต่สภาพธรรมะที่มีอยู่อย่างที่มันมีแต่ไม่มีใครเข้าไปรองรับยึดถือแค่เนี้ยมันก็จะจบในปัจจุบันและตรงนี้แหละนั่นแหละคือนิพพานที่แท้จริงเก็ให้มันเก้อไปแบบนั้นนะคะค่ะอุนสุรเชษมี ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะมาแชร์กันค่ะอ๋อเราสายปฏิบัติเยอะไปหน่อยเลยไม่ค่อยคุ้นเรื่องทฤษฎีเนาะเมะื่อวานเปิดห้องสายหน่อยสองทุ่มนะก็เปลี่ยนเป็นเวลาสองทุ่มแล้วก็มีคนถามว่าอากาศกับลมเหมือนกันไหมอ๋อแล้วคุณเฉยบอกว่ายัางไง<อ>คะแล้วก็บอก แล้วก็สูตดอากาศเข้าไปนะแล้วเวลาเรียนเรื่องการปฏิบัติแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าออกก็เหมือนเหมือนกันอ่ะผมว่านะแต่เป็นทางดีไม่รู้อาจจะพูดต่างกันก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจอย่างเงี้ยเอาอรอค่ะอของหนุหน่ยถ้าถ้าหนุหน่ยได้ยินอย่างเี้หนุ่ยอาจจะส่วนตัวนะคะหนุ่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเราจะเรียกมันว่าประเชตนาหรือจะเรียกว่าพมาน ได้อากาศหรือลมอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าคําพูดอะไรก็ตามเนี่ยค่ะถามว่าเหมือนหรือแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นคําบัญญัติเป็นแต่มนุษย์เรานี่ค่ะมีความคิดปรุงแต่งไปนะคะว่าอันนี้มันต่างจากอันนี้อันนี้มันต่างจากอันนี้สังเกตค่ะทำไมมนุษย์เรามองเห็นสีนะ่ยนะคะของแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันแต่ว่ามีสัตว์นะคะหลายประเภทเลยที่มองแต่ละอย่างเนี่ยสีไม่ได้ต่างกันเขาะจะมองเป็นแค่ขาวดําเท่านั้น เพราะนั้นการตรุงแต่งของเขาจะน้อยกว่าเรามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าในความประเสริฐเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ถ้าเราเข้าใจตรงจุดธรรมชาติของเราที่มันมีเนี่ยแล้วเรานํามาใชใ้เป็นประโยชน์บนโลกเนี่ยนะคะมันก็จะมองมันก็จะพัฒนาตัวเราเองด้วยพัฒนาโลกธรรมชาติทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ทันมันนะคะสิ่งแรกไม่ต้องไปรู้ทันสิ่งอื่นหรสิ่งใดก็มารู้ทันที่ตัวเราเองก่อน พอรู้ทันตัวเองแล้วแล้วก็เข้าไปข้างในอีกเมื่อรู้จักภายนอกก็กลับเข้ามารู้สึกถึงภายในแล้วก็พัฒนาตัวเราเนี่ยค่ะนะค ะ, นะคะพัฒนาจิตรเราให้ถึงความเ อ, อ, อิสระแล้วก็เป็นธรรมชาติกับทุกสิ่งแค่นั้นเองค่ะหลวงพ่อ่ะค่ ะ, ะ, ะทายนะเมื่อกี้ก็ดีนะอายกประโยคมาแบบเนี้ยมันมันน่าที่จะอธิบายเป็นธรรมะที่ถามว่าอ า, ากาศกับลมมันต่างกันยังไงนะ หลวงพ่อจะอธิบายเร and and ื่องของเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์คือว่าจริงๆอากาศกับลมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมันมีตัวเราเนี่ยที่ไปยุ่งกับกับลมหรือกับอากาศยุ่งมากเลยนะยุ่งยุ่งยุ่งจนกระทั่งว่าไม่อาจจะมีการถกเถียงกันเนาะตัวเราเนี่ยไปถกเถียงเรื่องเรื่องอากาศกับลมเถียงไปเถียงมามันก็คอเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอากาศกับลมหรอกให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นตัว ตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายแล้วก็วางมันเสียอย่ายึดถือไอ้ไอ้สังขารเนี่ยที่เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายเนี่ยวางให้หมดเมื่อวางหมดนี่ตรงนี้ยมันพ้นทุกข์เพราะนั้นเนี่ยการพ้นทุกข์เนี่ยมันพ้นตรงที่ว่าเห็นตัวเราแล้วก็ไม่หลงยึดถือที่ไม่หลงยึดถือเพราะอะไรเข้าใจมาแล้วนี่ภาคปริยัติเขาบอกว่าตัวเรามันจริงๆมันคือขันห้าเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเราเท่ากับว่ารู้ขันห้าแล้วเมื่อรู้ขันห้าแล้วควรหรือจะยึดขันห้ามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราไม่ควรพระเจ้าค่ะ เมื่อไม่ควรก็นั่นแหละหวางมันเสียเมื่อวางนั่นแหะคือพ้นพทุกขเพราะฉะนั้นในเรื่องที่คุยเมื่อกี้เนี่ยมันมีทุกข์กับพ้นทุกข์ถ้ามัวแต่ยุ่งกับอากาศกับลมน่ะทุกแน่นอนตัดประเด็นไปเลยไม่ต้องเถียงกลับมาพ้นทุกข์ก็คือรู้ตัวเราแล้วก็วางตรงนี้แหละยอดเลยเป็นสารเชิดฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับเรียว่าเราเดาเดถูกค่ะสาธุค่ะ